50 languages. 30. 30. t y Trenta. Tiri r a l restauran. Dos. Apple, Un s u c de p o m a sius plau. Una l าลิมูนด้าสิอุสเปลาขอน้ำมะเขือเทศค่ะ un นซ si m ก de ตุมเปลาดิฉันขอไวน์แดงหนึ่งแก้วค่ะม aria una copa de vino r e j o ดิฉันขอไวน์ขาวหนึ่งแก้วค่ะมากร aria una copa de vino blanco ดิฉันขอแชมเปญหนึ่งขวดค่ะ คุณชอบปลาไหมคะต p ะกร a าปลาฉีคุณชอบเนื้อวัวไหมคะตระกร a า a าคา a ์นคุณชอบเนื้อหมูไหมคะตระกร้าลาปอร์กดิฉันต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ดัิริอาอลาทเซนาร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 บ o l a c o m p a n y a m e n t de pasta fideos คุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมคะบอล a c o m p a ñ a m e n t de p a t a t e s รสชาติไม่อร่อย Ajo no magrada อาหารเย็นชืด a l m e n j a s t à f r e d ดิฉันไม่ได้สั่งจานนี้